สมถวิปัสนาเป็นแนวทางที่ให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติให้เป็นโล ก, กุจราจิตให้พ้นจากวตาสงสารเช่นว่าเรานั่งไม่ต้องฟังและไม่ต้องคิดตัดการฟังตัดการคิดออกและยกส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นพิจารณาเช่นเกษาผมโลมาขนนัขาเล็บทันตาฟัน โจหนังหรือเรายกอาณาปานาสติคือหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโธในเวลาที่เราทํากรรมฐานอยู่นั้นในเวลาที่เรากําหนดลมอยู่นั้นท่านไม่ให้ส่งจิตไปทางอื่นให้กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวออกไปแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วก็ออกไปไม่ต้องอยากรู้อะไรมาก ไม่ต้องอยากเห็นอะไรต่อไปให้จิตของเรารู้เฉพาะลมที่มันเข้าหรือมันออกเรียกว่าการกาหนดลมเป็นอาณาปานสติการกำหนดลมนี้บางคนกำหนดไม่ได้การกำหนดลมเราจะต้องเอาสภาวะที่มันเป็นอยู่หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นเท่าไรอันนั้นไม่เป็นประมาณเป็นประมาณที่ว่า มันสบายอย่างไรหายใจแรงหรือมันค่อยหรือมันยาวหรือมันสั้นเราจะต้องทดลองหายใจดูมันถูกจริตที่ตรงไหนมันสบายอย่างไรลมไม่ขาดค้องจะกาหนดตามลมก็สบายสะดวกตัวอย่างเช่นเราฝึกเย็บผ้าด้วยจักรเราก็ควรเอาจาักมาลองเอาเท้าเราถีบจักรเข้า ถีบจากเปล่ายังไม่ต้องเย็บผ้าให้มันชำนาญเสยก่อนเมื่อเท้าเราชนานาญพอสมควรแล้วอยเอาผ้ามาเย็บค่อยเอาผ้ามาใส่เย็บไปพิจารณาไปการกำหนดลมหายใจนี้ก็เหมือนกันก็หายใจเบาๆเสยก่อนไม่ต้องกำหนดอะไรมันยาวมันสั้นมันหยาบมันละเอียดมันสบายอย่างไร อันนั้นเป็นจริตของเราความพอดีของมันนั้นไม่ยาวไม่สั้นพอดีเรากำหนดเอาอันนั้นเป็นประมาณนี้เรียกว่าให้กรรมฐานถูกจริตและค่อยๆปล่อยลมออกไปแล้วก็สูดลมเข้ามาเราจะกำหนดว่าเมื่อลมเข้ามาต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัไทยคือกลางหน้าอก ปลายลมอยู่สะดือเมื่อเราหายใจออกต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัไทยปลายลมอยู่จมูกให้เรากำหนดอย่างนี้ซะก่อนแล้วก็สูดลมเข้าผ่านปลายจมูกหัไทยสะดือเมื่อออกตั้งต้นสะดือหัไทยปลายจมูกเป็นต้นทำอยู่แต่อย่างนี้ละ่ะไม่ต้องสนใจอื่น เมื่อเวลาเราทำสมถะกรรมฐานคือกำหนดลมไม่ต้องพิจารณาอะไรเอาสติประคองจิตของเราให้รู้ตามลมเข้าออกเท่านั้นไม่ต้องสนใจอย่างอื่นไม่ต้องพิจารณาอย่างอื่นลมก็สบายไม่ขัดข้องลมเข้าก็สบายลมออกก็สบายเอาความรู้สึกที่เรียกว่าสติสติตามลม ส่วนสัมปัตชัญญะก็รู้อยู่ว่าสติเราตามลมขณะที่เรากำลังทำอยู่นั้นมีสติแล้วก็มีลมมีสติตามลมเราจะมองดูในที่อันนั้นเราจะรู้ลมเห็นลมว่ามันยาวสั้นประการใดเห็นลมและมีสติอยู่ว่าเรารู้ลม แล้วก็เห็นจิตของเราตามลมเห็นทั้งลมเห็นทั้งสติเห็นทั้งจิตสามประการรวมกันหายใจเข้าก็รวมหายใจออกก็รวมรู้สึกอยู่อย่างนี้มันจะเป็นอะไรบ้างต่อไปอย่าคิดไปมันจะมีอะไรบ้างต่อไปอย่าคิดไปทำอย่างนี้มันจะดีจะเป็นอย่างไรต่อไป ไม่ต้องคิดเรียกว่ากำหนดลมเข้าออกสบายเมื่อหากว่าจิตของเรากำหนดอารมณ์กับลมหายใจถูกแล้วมันจะไม่ขัดข้องลมก็ไม่ขัดข้องผู้รู้ก็ไม่ขัดข้องทุกอย่างทุกส่วนก็ไม่ขัดข้องเราเพียงแต่รู้อันเดียวเท่านั้นลหละคือรู้แต่เพียงลมหายใจเข้าออกคือกำหนดรู้ว่า ต้นลมคือจมูกกลางลมคือหะไทยปลายลมคือสะดือเมื่อลมมันถอนออกมาต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หะไทยปลายลมอยู่จมูกสามประการนี้เรานั่งพิจารณากำหนดรู้อยู่เช่นนั้นให้มันรู้ทั้งสามนี้เสมอเรียกว่าเรามีสติเต็มที่ของเรา มีผู้รู้ควบคุมสติอันนั้นอยู่เต็มที่เช่นนี้เรียกว่าเราทำสมถะกรรมฐานจนกว่าจิตเรามันสงบเมื่อจิตเราสงบ ก, กายมันก็เบาใจมันก็เบาลมมันก็ละเอียดเมื่อเรามีลมอันละเอียดแล้วก็ไม่ต้องตามลมเพราะการตามลมเข้าไปมันเป็นอารมณ์หยาบ เมื่อไม่อยากจะตามเสียแล้วเอาสติกำหนดที่ปลายจมูกของเรานี้พอแต่รู้ว่ามันเข้าพอแต่รู้ว่ามันออกเท่านี้ก็พอแล้วจิตสบายกายก็เบาใจสงบลมก็ละเอียดอันนี้จิตเป็นสมาธิรู้ตามลมอย่างเดียวเมื่อมันละเอียดเต็มที่เข้าไปนั้นมันจะเกิดความละเอียดขึ้นมาในใจของเราอีก ลมที่เรากำหนดอยู่นี้มันจะหายไปมันจะไม่มีลมที่จริงมันมีอยู่หรอกแต่มันละเอียดที่สุดจนกำหนดไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นคนไม่มีลมนั่งเฉยๆอยู่นึกว่าไม่มีลมตอนนี้พระโยคา ว, วาจรเจ้ามักจะตกใจกลัวว่าเราไม่มีลมกลัวว่าเราจะเป็นอะไรไปถ้าลมไม่มีแล้ว เอาอะไรเป็นอารมณ์ต่อไปอีกเราจะต้องเอาความรู้สึกว่าลมไม่มีนั่นแหละเป็นอารมณ์ต่อไปไม่เป็นโทษไม่เป็นอันตรายเราทําจิตของเราให้รู้ว่าไม่มีลมเข้าไปถึงการถึงเวลาแล้วเป็นเองอันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องสะดุง้งจะเป็นอย่างไรก็ตามก็รู้รู้ใจของเราที่มันเป็นอย่างไรกาหนดจิตเข้าไปว่ารู้อย่างไร จะไม่มีอันตรายแต่อย่างใดอันนี้เป็นอารมณ์ของการกระทำจิตให้สงบคือสมถะเบื้องแรก